ทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเมื่ออยู่จําพรรษาแล้วไม่หลีกเที่ยวจาริกไปในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นปัรมปาราชิกสมุดฐานละ ตัวัตตะวัคที่4ี่จบ